เึงได้มาวัดเพื่อมาทำความดีมาทำสิ่งที่จะทำให้จิตใจมีความสุขและความเจริญเพราะความเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้เชื่อเรื่องของกฎแห่งกรรมกรรมก็คือการกระทำ ทางกายทางวาจาและทางใจทำไปแล้วก็จะเกิดผลขึ้นมาผลที่จะเกิดนี้ก็มีทั้งผลภายในใจและผลภายนอกคือเรื่องราวต่างๆที่เราต้องประสบพบกันเป็นเรื่องของการกระทำ ทางกายทางวาจาและทางใจโดยมีใจเป็นผู้สั่งการใจนี้พระพุทธเจ้าเชิญตักว่าเป็นส่วนประกอบที่สาคัญที่สุดของชีวิตเราใจเป็นประธานใจเป็นใหญ่ใจเป็นผู้กระทำและใจเป็นผู้รับ ผลของการกระทําเมื่อทําไปแล้วก็จะไม่สามารถหลีกเลี่ยมจากการรับผลของการกระทําได้ไม่ว่าจะเป็นการกระทําที่ดีหรือไม่ดีก็ตามดังนั้นพระมุทขเจ้าจึางทรงสอนให้ทําความดีอย่าไปทําบาปเพราะการกระทําความดี จะทำให้ใจมีความสุขทำให้ใจเจริญก้าวหน้าถ้าทำบาป ก, ก็จะทำให้ใจมีความทุกข์และตกต่ำใจตกต่ำเสื่อมลงไปตามลำดับนี่คือเรื่องของกฎแห่งกรรมเป็นอย่างนี้ไม่ว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตาม ไม่ว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาทรงตรัสรู้กฎแห่งกรรมนี้แล้วนำมาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตวโลกหรือไม่ก็ตามกฎแห่งกรรมนี้ก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมเพราะไม่ได้ขึ้นอยู่กับการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าหรือไม่แต่เป็นกฎที่ควบคุม การกระทำทางกายทางวาจาและทางใจถ้าพวกเราทุกคนปรารถนาความสุขและความเจริญเราก็ต้องทำเหตุที่จะทำให้เกิดผลที่เราต้องการผลไม่ได้เกิดจากการขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเช่นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ดี หรือจากเทวดาอินพรมทั้งหลายก็ดีบุคคลเหล่านี้ไม่สามารถที่จะให้ผลที่เราปรารถนาะที่เราต้องการได้เพราะผลเกิดจากเหตุคือการกระทำถ้าต้องการผลก็ต้องมีเหตุถ้าต้องการผลดีก็ต้องมีเหตุที่ดีคือการกระทำที่ดี เช่นคิดดีพูดดีทำดีผลที่ดีก็จะเกิดตามมาถ้าไม่ต้องการผลที่ไม่ดีก็อย่าไปคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีผลไม่ดีก็จะไม่เกิดตามมานี่เป็นหลักง่ายๆเป็นแต่เป็นสิ่งที่ทำกันยากนือเกินเพราะใจของพวกเรานั้นมี กิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาที่จะคอยหลอกให้เราไปทำตรงกันข้ามกันไปทำไม่ดีเพราะกิเลสอยากจะได้สิ่งต่างๆซึ่งไม่ได้มีคุณมีประโยชน์กับใจได้มาแล้วก็นำมาซึ่งความทุกข์ความรุนแายใจ สิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กิเลสก็จะไม่ไม่บอกให้ใจไปหามาใจก็เลยไม่ค่อยได้รับสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์สิ่งที่มีคุณมีประโยชน์ก็คือการทําความดีทางกายทางวาจาและทางใจนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเรารู้สึกว่าจะทํากันยากไม่เหมือนกับ การกระทำสิ่งที่ไม่ดีรู้สึกว่าจะทำกันง่ายมากเช่นการรักษาศีลนี้จะรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ยากแต่การทำปิดศีลนี้จะรู้สึกว่าทำกันง่ายเพราะใจของเรานี้ถูกปิเลตถูกความหลงคอยสอนคอยหลอกให้เราทำมา จนติดเป็นนิสัยเป็นความถนัดไปเรื่องการทำบาปนี้ไม่ต้องสอนกันแต่เรื่องการไม่ทำบาปนี้ต้องสอนกันเรื่องการทำความดีนี้ต้องสอนกันต้องบอกกันและหลังจากที่ได้สอนได้บอกแล้วก็ยังไม่แน่ว่าจะทำตามได้หรือไม่ เพราะอำนาจของดิเลสตัณหาโมหะวิชาที่มีอยู่ภายในใจนี้มีกำลังมากที่จะทำให้การทำความดีของพวกเรานี้เป็นสิ่งที่ยากเย็นเหนือเกินแต่ก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่สุดวิสัยเป็นสิ่งที่เราสามารถทำกันได้ ในเรื่องต้นเราอาจจะทำได้ไม่มากแต่ก็เราก็ควรที่จะพยายามทำกันไปทำจากน้อยไปหามากแล้วเมื่อเราทำไปมากขึ้นเราก็จะมีกำลังที่จะทำความดีให้มากขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุด เราจะทำแต่ความดีอย่างเดียวจะไม่ทำบาปเลยเช่นพระพุทธเจ้ากับพระอรหันตสาวกทั้งหลายตอนที่ท่านเริ่มต้นท่านก็ทำความดีจากน้อยไปหามากก่อนแล้วในที่สุดท่านก็สามารถทำความดีได้ตลอดเวลาไม่ทำบาปเลยนี่ไม่ใช่เป็นเรื่องสุดวิสัย พระพุธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกได้เป็นผู้พิสูจน์มาแล้วได้ทําเป็นตัวอย่างมาแล้วและผลที่ท่านได้รับก็เป็นผลที่พวกเราทุกคนปรารถนากันก็คือความสุขความหลุดพ้นจากความทุกข์อยู่ที่ตัวเราเองอยู่ที่การกระทาทางกายทางวาจาและทางใจ จึงขอให้พวกเราจงมีความเชื่อมั่นในเรื่องการกระทำในเรื่องกฎแห่งกรรมว่าเป็นกฎตายตัวที่จะโดนบรันรดาลให้เราได้รับความสุขหรือได้รับความทุกข์ได้รับความเจริญหรือความเสื่อมนี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆ ก็คือกฎแห่งกรรมนี้แม้แต่พระพุทธเจ้าพระอาหารหันตสาวกเทวดาอินพรหมทั้งหลายก็ยังต้องอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมนี้ไม่มีใครอยู่เหนือกฎแห่งกรรมนี้ไปได้ <c oughs> ดังนั้นการที่เรามีศรัทธามีความเชื่อในเรื่องของกรรม ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะพาให้เราไปสู่ผลที่พวกเราทุกคนปรารถนากันเพราะพุทธเจ้าจึงต้อง ส, สอนเรื่องอัตติอัตนโนนาโถตอนเป็นที่พึ่งของตอนพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็เป็นที่พึ่งเหมือนกันแต่ทําหน้าที่ต่างกันพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทําหน้าที่ชี้ทาง เป็นผู้บอกเราให้รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีอะไรชั่วอะไรจะทําให้เรามีความสุขอะไรจะทําให้เรามีความทุกข์แต่พวกเรานี้จะต้องเป็นผู้ปฏิบัติตามไม่มีผู้อื่นสามารถที่จะปฏิบัติตามเราได้ต่อให้เราได้เกาะชายผ้าเหลืองของพระพุทธเจ้า ได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ทุกวันทุกเวลาแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะไม่ได้ผลที่เราต้องการกันไม่ได้อยู่ผู้ยุไม่ได้อยู่ที่ผู้อืน่นอยู่ที่ตัวเราเราจะดีหรือเราจะชั่วนี่อยู่ที่การกระทําของเราผู้อื่น อาจจะเป็นผู้ที่มีส่วนในการกระตุ้นได้เช่นทําให้เราโกรธได้หรือทําให้เราดีได้แต่เราต่างหากเป็นผู้ที่จะต้องทําตัวเราให้ดีหรือทําตัวเราให้โกรธคนอื่นทําให้เราโกรธไม่ได้ถ้าเราไม่โกรธ เช่นพระพุทธเจ้านี้ไปทำให้พระพุทธเจ้าโกรธยังไงท่านก็ไม่โกรธภาษาวลกก็เช่นเดียวกันเพราะท่านสามารถควบคุมการกระทำของท่านได้ท่านสามารถบังคับใจของท่านให้ทำแต่ความดีอย่างเดียวสามารถระงับความโลภความโกรธต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของท่านได้ เมื่อไม่มีความโลภความโกรธความหลงอยู่ภายในใจแล้วต่อให้ใครจะไปพูดไปทำอย่างไรก็จะไม่สามารถจะทำให้ท่านเกิดความโกรธเกิดความโลภเกิดความหลงขึ้นมาได้ปัญหาของพวกเราที่เรายังโกรธกันอยู่ยังโลภ ก, กันอยู่ยังหลงกันอยู่ ก็เป็นเพราะว่าเรายังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่ภายในใจของเราแล้วเราก็ไปโทษคนอื่นเวลาที่เราทำอะไรไม่ดีเราก็มักจะโทษคนอื่นว่าเขาทำให้เราไปทำไม่ดีเช่นเขาทำให้เราโกรธเขาทาให้เราโมโหโเขาทาให้เราหลงความจริงแล้วไม่มีใครทำให้เราโกรธ เราโลภเราหลงได้ถ้าเราไม่มีความโลภความโกรธความหลงอยู่ภายในใจของเรานี่คือเรื่องของเราที่เราต้องเข้ามาดูแลเข้ามาแก้ไขแก้ไขในส่วนที่ไม่ดีให้หมดไปแล้วก็ทำหรือเสริมสร้างในส่วนที่ดีให้มีอยู่ เต็มหัวใจของเราเมื่อเราได้ทำอย่างเต็มที่แล้วใจของเราก็จะมีแต่สิ่งที่ดีจะมีสิ่งมีความสุขจะไม่มีความทุกข์จะไม่มีสิ่งที่ไม่ดีมาสร้างความทุกข์ให้แก่ใจของเราได้เลยอยู่ที่ตัวของเราโดยอาศัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เป็นแม่แบบเป็นแบบฉบับเป็นผู้นำทางขอให้เราเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้อย่างตายใจทำตามที่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทรงสอนให้เราทำและทรงปฏิบัติมาเป็นตัวอย่างแล้วทำตามท่านได้เลยรับรองได้ว่าเราจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน แต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติตามเราจะผิดหวังเราจะไม่ได้สิ่งที่เราอยากจะได้นี่คือเรื่องของชีวิตเราเป็นอย่างนี้อยู่ที่การกระทำของเราทำแล้วก็จะเกิดผลขึ้นมาภายในใจและภายนอกใจภายในใจนี้จะเกิดขึ้นมาทันทีเช่นเวลาเราคิดดีใจของเราก็จะมีความสุข เวลาเราพูดดีทำดีใจของเราก็จะมีความสุขทันทีเวลาเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีใจของเราก็จะทุกข์ขึ้นมาทันทีมีความรุ่มร้อนขึ้นมาทันทีนี่คือผลที่เราเห็นได้ในปัจจุบันนี้เป็นผลที่ยืนยันว่ากรรมนี้มีจริงบาปมีจริงบุญมีจริง เวลาคิดทิศทำบุญใจก็มีความสุขเวลาคิดทำบาปใจก็มีความรุ่มร้องมีความทุกข์ขึ้นมานี่คือที่เกิดของผลของการกระทำของเราที่แท้จริงคือเกิดขึ้นในใจของเรานี้ส่วนผลที่เป็นผลพลอยได้ที่เกิดนอกใจนี้ก็มีเหมือนกันแต่อาจจะวาช้ามาเร็วไม่แน่นอน แต่ก็มีตามมาอย่างแน่นอนไม่ช้าก็เร็วเช่นเราทำความดีแล้วได้รับการสรรเสริญยกย่องเยียดยอได้รับรางวัลอย่างนี้ <c oughs> ก็เป็นเพราะว่าเป็นผลที่เกิดจากการกระทำความดีของเราแต่ถ้าเราทำความดีแล้วเรายังไม่ได้รับผลตอบแทนกลับมา ก็ไม่ได้หมายความว่าการทำความดีของเรานี้ร้ายผลแต่ยังอาจจะต้องรอเวลาไปก่อนผู้ที่เขาเห็นเราทำความดีเขาอาจจะยังไม่มั่นใจว่าเราทำดีจริงหรือไม่หรือเป็นการเสแสร้งเป็นการสร้างภาพเขาก็ต้องรอดูเราไปก่อนดูไปเรื่อย ตนกว่าเขาจะมีความมั่นใจเมื่อเขามีความมั่นใจแล้วเขาก็จะมีอะไรให้เราเป็นรางวัลอย่างแน่นอนและนี่ก็คือผลที่เกิดขึ้นภายนอกในชีวิตของเราในปัจจุบันแล้วก็ยังมีผลภายนอกที่ตามมาอีกหลังจากที่เราตายไปแล้วคือภพชาติที่เราจะไปเกิดใหม่ เ ร, ร <fulness> เราจะได้ร่างกายแบบไหนเราจะได้ร่างกายของมนุษย์หรือร่างกายของเดรัจฉานเราจะได้กายทิพย์แบบไหนกายทิพย์แบบละเอียดหรือกายทิพย์แบบหยากายทิพย์ที่มีความสุขมากกว่าความทุกข์หรือกายทิพย์ที่มีความทุกข์มากกว่าความสุขกายทิพย์ที่พูดนี้ก็คือใจของเรา ถ้าเราไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์หรือไม่ได้ไปเกิดเป็นเดรัจฉานใจของเราก็จะไปเกิดหรือไปเป็นกายทิพย์ชนิดต่างๆขึ้นอยู่กับบุญหรือบาป ท, ที่เราทำมาไว้ถ้าเป็นบุญเราก็จะได้ได้กายทิพย์ที่ดีที่ละเอียดที่มีความสุขมากกว่าความทุกข์เช่นกายทิพย์ที่เราเรียกว่าเทพ หรือพงพวกนี้เป็นกายทิพย์ซึ่งไม่ใช่เป็นใครที่ไหนหรอกก็เป็นใจของเรานี้เองที่ได้กลายเป็นเทพเป็นพงด้วยอนิสง์ของการทำความดีต่างๆเช่นทำบุญให้ทางรักษาสีนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนาก็จะได้กายทิพย์ที่สะอาดที่ละเอียดที่เต็มไปด้วย ความสุขมากกว่าความทุกข์แต่ถ้าเราทำบาปเราก็จะได้กายทิพย์ของเปรตของนรกนี่เป็นเป็นผลที่เกิดจากการทำบาปที่จะตามตามมาต่อไปและอาจจะไม่ต้องรอถึงเวลาที่เราตายไปเลยเพราะใจของเรานี้เป็นกายทิพย์อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว ขึ้นอยู่ว่าจะเป็นกายทิ่แบบไหนเท่านั้นเองอย่างตอนนี้ญาติโยมมาทำบุญให้ทานมาทำจิตใจให้สงบใจของญาติโยมตอนนี้ก็ได้เป็นเทพเป็นพรมไปแล้วแต่จะเป็นได้นานหรือไม่นานก็อยู่กับกำลังของการทำความดีของเราว่ามีมากมีน้อยเหมือนฝนตก ฝนตกมากฝนตกน้อยก็จะได้น้ำมากได้น้ำน้อยถ้าเราทำบุญมากรักษาศีลได้มากนั่งสมาธิได้มากเราก็จะได้เป็นเทพได้นานได้เป็นพรหมได้นานถ้าเราจเจริญวิปัสสนาเราก็จะเป็นพระอริยบุคคลได้ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ ร่างกายของเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากการทำบาตหรือทาบุญก็คือใจของพวกเราตอนที่พระพุทธเจ้าตัดสรู้เป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นร่างกายของพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เปลี่ยนไปรูปร่างหน้าตาก็ยังเหมือนเดิมแต่ใจของพระพุทธเจ้าได้เปลี่ยนไป จากปุตุชนกลายเป็นพระอรหันต์สอนมาสอนพุทธเจ้าการเป็นพระพุทธเจ้าก็ดีเป็นพระอรหันตก็ดีเป็นเทพเป็นพรหมก็ดีเป็นมนุษย์เป็นเดรัจฉานหรือเป็นเป็นเปรตเป็นนรกนี้ก็เป็นที่จใจนี้เท่านั้นไม่ได้เป็นที่ร่างกายร่างกายนี้เป็นเพียงดินน้ำลมไฟเป็นธาตุสี เป็นผมขนเล็ะฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกมันไม่ได้เป็นอย่างอื่นมันเป็นเทพเป็นพรไม่ได้เป็นเดรัจฉานเป็นมนุษย์ไม่ได้สิ่งที่เป็นมนุษย์เป็นเดรัจฉานเป็นเทพเป็นพรก็คือใจของเรานี้เองและสิ่งที่จะทําให้เราเป็นเป็นเทพเป็นพรเป็นเดรัจฉานเป็นมนุษย์ก็อยู่ที่การกระทําของเราทางกายทางวาจาและทางใจนั้นเอง ดังนั้นใจของเรานี้กกำลังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามการกระทาของเราถ้าเราไปทำบาป ท, ทำกรรมใจของเราก็จะเปลี่ยนไปเป็นเดราาัจฉานไปเป็นเปรตเป็นนรกทันทีพอเรากลับมาทำบุญรักษาศีลปฏิบัติธรรมใจของเราก็จะกลับมาเป็นมนุษย์เป็นเทพเป็นพรทันที มันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างนี้สลับกันไปจนกว่าเราจะทําแต่ความดีอย่างเดียวเมื่อเราทําความดีอย่างเดียวแล้วใจของเราก็จะไม่เปลี่ยนไปในทางที่ไม่ดีจะเป็นมนุษย์ที่ดีขึ้นไปตามลําดับจะเป็นเทพที่สูงขึ้นไปตามลําดับจะเป็นพรหมที่สูงขึ้นไปตามลําดับจะเป็นพระอริยเจ้าที่สูงขึ้นไปตามลําดับจนในที่สุด ก็จะเป็นพระ อ, อริยเจ้าครบถ้วนบริบูรณ์คือเป็นพระ อ, อราหันต์เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อได้เป็นถึงขั้นนั้นแล้วก็จะไม่เป็นอย่างอื่นอีกต่อไปเพราะใจจะไม่ทำบาปใจจะทำแต่ความดีอย่างเดียวนี่คือเรื่องของกฎแห่งกรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของพวกเราเราไม่ควรมองอย่างอื่นขอให้เรามอง ที่การกระทำของเรานี้แหละเป็นตัวสำคัญที่สุดเรื่องอย่างอื่นนั้นไม่ได้เป็นเรื่องสำคัญแต่อย่างใดเรื่องร่างกายของเราจะเป็นจะตายก็ไม่สำคัญแต่อย่างใดเรื่องของโลกนี้จะเจริญจะเสือ่อมอย่างไรก็ไม่สำคัญโลกนี้จะระเบิดจะสูญสลายไปก็ไม่สำคัญอะไรไม่สามารถที่จะมา ทำให้ใจของเรานี้สูนสูญเสื่อหายไปได้หรือทำให้ใจของเราเจริญได้ใจของเรานี้ไม่ได้ขึ้นลงไปกับการขึ้นลงของโลกนี้โลกนี้จะอุบัติหรือจะหายไปจะจะสูญหายไปก็ไม่ได้ทำให้ใจของเราสูญหายไปกับโลกอย่างมากก็เอาร่างกายนี้ไปด้วยท่านเอง เช่นถ้าเกิดโลกนี้ถึงเวลาที่เขาต้องระเบิดเป็นเหมือนลูกระเบิดร่างกายของเราก็จะต้องระเบิดตามไปกับการระเบิดของโลกแต่ใจของเรานี้ไม่ได้ระเบิดไปกับการระเบิดของร่างกายหรือของโลกเพราะใจเรานี้อยู่กันคนละโลกอยู่กันคนละที่ใจเรานี้ไม่ได้อยู่บนโลกนี้ร่างกายของเรานี้อยู่บนโลกนี้ แต่ใจของเรานี้อยู่อีกมิติหนึ่งเราเรียกว่าเป็นมิติทิพก็ได้ที่เราเรียกว่ากายทิพต่างๆมันไม่ได้เกี่ยวข้องมันมันมีความสัมพันธ์กันแต่มันอยู่คนละที่กันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกนี้ไม่สามารถทําอะไรใจได้มีแต่ใจต่างหาที่ทําตัวเองด้วยความหลง ยึดติดกับสิ่งต่างๆในโลกนี้เช่นเวลามีความเจริญในโลกนี้ใจเราก็ดีอกดีใจไปกับความเจริญเวลามีความเสือ่อมใจของเราก็ทุกไปกับความเสือ่อมแต่ใจของผู้ที่ฉลาดเช่นใจของพระพุทธเจา้าใจของพระอาหารหันต์นี้ท่านจะไม่หลงดีใจเสียใจไปกับการเจริญกับการเสื่อมของโลก ใจของท่านก็จะไม่มีไม่ต้องรับผลกระทบจากการเจริญหรือการเสื่อมของโลกใจของท่านก็จะเป็นปกติจะมีความสงบมีความสุขท่ามกลางการขึ้นการลงท่ามกลางการเจริญการเสื่อมของสิ่งต่างๆในโลกนี้เช่นการเจริญของลาบยศสารเสริมสุขและความเสื่อมของ ลากยศสารสริสุดจะไม่สามารถมาทำให้ใจของผู้ที่ไม่หลงผู้ที่รู้ความจริงแล้วนั้นให้สัน่นให้สะเทือนให้หวันไหวได้เลยแต่ถ้าใจยังไม่ได้รับการสั่งสอนอบรมให้รู้ทันสภาพความเป็นจริงของโลกใจก็ยังจะหลง ก็ยังจะยึดติดกับการขึ้นลงของโลกของโลกธรรม ท, ทั้งแคือการเจริญราบยศสรรเสริญสุขหรือการเสรื่อมราบยศสรรเสริญสุขก็จะมีผลกระทบกับใจของผู้ที่ยังไม่ได้ชำระความหลงให้หมดไปก็ยังจะต้องมีความทุกข์มีความสุข มีความดีใจมีความเสียใจแต่ถ้ามีปัญญามีธรรมะแสงสว่างคอยสอนใจอยู่ตลอดเวลาว่าเรื่องวิจารเจริญเรื่องการเสื่อมของลาบยศสาริญสุขนี้เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถไปควบคุมบังคับให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้ ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็อย่าไปยุ่งกับเขาเขาจะมาหรือเขาจะไปก็ปล่อยเขามาปล่อยเขาไปเวลามาก็อย่าดีใจหรืออย่าเสียใจเวลาไปเราก็จะไม่ดีใจจะไม่เสียใจแต่ถ้าเวลามาเราดีใจเวลาเขาไปเราก็จะเสียใจเวล า, ere, า, าที่เขามาแล้วเราไม่ดีใจเวลาเขาไปเราก็จะไม่เสียใจ ปพราะเนื้อหน้าที่ของเราก็คือสอนใจให้เรารู้ว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายที่เราต้องสัมผัสรับรู้ในโลกนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่เราควรที่จะไปดีใจหรือเสียใจด้วยเราไม่ต้องมีสิ่งต่างๆในโลกนี้เราก็อยู่ได้มีความสุขได้สิ่งที่จะให้เรามีความสุขก็คือความคิดที่ดี การพูดที่ดีการกระทำที่ดีเทนั้นเองการคิดที่ดีก็คือคิดปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างให้รู้ทันว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้ไม่ ไ, มได้มีคุณมีประโยชน์ไม่ได้เป็นเหตุที่จะทำให้เรามีความสุขที่แท้จริงสิ่งที่จะทำให้เรามีความสุขที่แท้จริงก็คือความรู้ทันและปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่าง ในโลกนี้ได้เมื่อเรารู้ทันแล้วเราปล่อยวางแล้วใจของเราก็จะมีความสุขถึงแม่ร่างกายเราจะอดอยากขาดแคลนเจ็บไข้ได้ป่วยหรือต้องตายไปมันก็จะไม่มากระทบกับความสงบสุขของใจเราที่ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่คือเรื่องที่เราจะต้อง ทำความเข้าใจกับตัวเราเองว่าเราเป็นที่พึ่งของเราเองเราเป็นผู้สร้างความสุขสร้างความทุกข์ในตัวเราเองถ้าเราไม่อยากจะมีความทุกข์เราก็ต้องตัดเหตุที่จะทําให้เรามีความทุกข์ก็คือการทําต่างๆที่ไม่ดีนั่นเองการทําบาปหรือการพูดไม่ดีหรือการคิดไม่ดีคิดไม่ดีก็คิดคิดว่า คิดด้วยอุปทานคิดด้วยตัณหาคิดด้วยความโลภความโกรธความหลงความอยากได้ต่ความอยากมีความอยากไม่มีความคิดหลังนี้เป็นความคิดที่ไม่ดีเราต้องคิดเฉยๆว่าไม่มีก็ได้มีก็ได้ไม่สำคัญเพราะหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเราก็ยังอยู่ได้เราไม่มีอะไรเราก็อยู่ได้ เราอยู่อย่างนี้มาต้อ ง, งานแล้วแต่เราไม่รู้เราถูกความหลงหลอกให้เราไปหาร่างกายนั้นมาหาร่างกายนี้มาแล้วก็ต้องมาร้องหมงร้องไห้มาทุกทรมานใจกับการแก่กับการเจ็บกับการตายของร่างกายถ้าเราตอนนี้เราฉลาดแล้วเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วที่สอนให้เรารู้ว่า เราไม่ต้องมีอะไรเราก็อยู่ได้เราไม่ต้องมีความอยากเราก็อยู่ได้เราไม่ต้องมีความโลภความโกรธความหลงเราก็อยู่ได้ได้อยู่ได้อย่างมีความสุขมากกว่าการอยู่กับการมีความโลภ ค, ความอยากต่างๆเพราะมันมีแต่ความทุกข์ทุกวันนี้ที่เราอยู่วันนี้เราอยู่เรามีความสุขกับความทุกข์มากอย่างไหนมากกว่ากัน รับรองได้ว่าเรามีความทุกข์มากกว่ากันถ้าไม่เชนั้นแล้วเราก็คงไม่ต้องมาวัดให้เสียเวลาที่เรามาวัดกันเพราะเรารู้ว่าวัด น, นี้เป็นที่จะช่วยให้เรานั้นหลุดพ้นจากความทุกข์ได้จึงขอให้พวกเราทั้งหลายจงเชื่อกฎแห่งกรรมจงทำแต่เหตุที่ดีและพยายาม ละเหตุที่ไม่ดีคือการกระทำบาปให้ละส่วนการกระทำความดีก็ทำให้มากแล้วต่อไปใจของเราก็จะมีแต่ความสุขและจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างแน่นอนและหมดสิ้นไปจึงขอให้เราเชื่อในกฎแห่งกรรม เชื่อในคำสอนของพ่อพระพุทธเจ้าและปฏิบัติด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความเข้มแข็งอดทนไม่ท้อแท้ไม่เสียดายไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งต่างๆแล้วเราจะได้ผลที่เราทุกคนปรารถนากันคือความสุขและความหลุดพ้นจากความทุกข์จึงขอฝากเรื่องของกฎแห่งกรรมนี้ ให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุดที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออุ้สงผลบุญที่ท่านได้มากระทำกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญ ด้วยอายุวันละสุขภาระโดยทั่วหน้ากาเธอ